เออมีอย่างในมาหากันเลยค ร, ยรับปรับรบยังเพื่อ้อมปาก้อมคอเนาะมีอะไรก็ปรพรล้วนแล้วจะเป็นสหธรรมิกเป็นพี่น้องเป็นพี่พี่น้องๆพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถึงจะเป็นพนลวัดก็คือสายแนวแถวของครูบาอาจารย์ที่เคยไปมาหาสูงกันมาก่อน เป็นเครือข่ายขององค์หลวงปูมันถ้าจะว่าไปแล้วก็หลวงปู่หลวงตาที่เป็นพ่อเป็นแม่ของพวกเราก็คือเป็นลูกศิษย์ลูกหากันเป็นที่รู้จักกันดีไม่ ง, งั้นเถอะอย่างหลวงพ่อนะกําลังพูดอยู่ขณะนี้ก็ดีไปกราบองค์หลวงปูเทศวัดหินหมับเป่งของเราด้วยความรักเคารพอย่างมากไม่ ง, งั้นเถอะท่านก็ให้ความเมตตาเสมอมา ตั้งแต่เป็นพระน้อยพระหนุ่มก็ไปกราบไปไหว้ไปสักการะท่านตลอดเมื่อมาอยู่ที่นี่ปี 2,525 25, มาสร้างวัดป่านาคำน้อยแห่งนี้ก็ไปกราบหลวงปู่โดยสม่าเสมอถือว่าเป็นหลวงปู่ที่น่ารักเคารพอย่างยิ่งจากนั้นก็พี่น้องประชาชนญาติโยมที่เป็นศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงปู่ ตลอดถึงหมู่พวกเพื่อนสหธรรมิกที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาองค์หลวงปู่กับหลวงพ่อเนี่สนิทใจไปมาหาสู่กันด้วยความรักเคารพพวกทุกองค์ถึงจะอยู่ห่างกันแต่จิตใจนั้นก็รักเคารพหมู่พวกเพื่อนอยู่ตลอดถือว่านีเน่เป็นหมู่เป็นพี่เป็นน้องอย่างสนิทใจว่างั้นเถอะไม่มีความระแวงแคลงใจในเรื่องการเป็นอยู่แต่ว่าสําหรับหมู่ครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนนั้น แต่เป็นยังไงก็อาตมาหรือกระผมเองมั่นใจว่าหมู่พวกเพื่อนก็คงจะลักษณะเดียวกันกับหลวงพ่อเหมือนกับกระผมเองว่างั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องการเป็นอยู่หรือว่าแนวความคิดเห็นเรื่องต่างๆถ้ามันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในวงการของพวกเราพวกเราทั้งหลายให้ฟังนี่อันนี้ก็คือจุดหนึ่งนะ เรามีหูไว้สองข้างให้ฟังให้ฟังให้หนักแน่นเอาไว้แหมอย่าไปเอ็งเอียงเข้าข้างใดข้างหนึ่งเพราะเรื่องยังไม่ขาวกระจ่างอย่างองคหลวงตาที่ท่านพาดําเนินอย่างพวกเราเห็นอย่างพวกเราได้ยินแต่บางขั้นบางคนก็อาจจะกระอากระอวนในจิตในใจแหมไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนี้แต่ตามไม่จริงขอเตือนไว้ก่อนถ้าหาว่ารัก เคารพในองค์หลวงตารักเคารพในครูบาอบบาจารย์สายองค์หลวงปู่มั่นก็ให้พวกเราฟังไว้ก่อนอย่าพึ่งไปเข้าข้างใดข้างหนึ่งถ้าเราไม่มั่นใจเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายของเราเนี่ยถ้าว่าท่านทำอะไรท่านต้องไตรตรองไว้ก่อนท่านอาจจะมองเห็นในสิ่งที่พวกเรามองไม่เห็นแต่ที่ท่านเห็นท่านบอกมันจะเป็นพิษเป็ภัยต่อไปในอนาคต ท่านอ่านจาจมาท่วงติงแก่พวกเราได้เตรียมตัวให้ตื่นตัวไว้ก่อนก่อนที่ภัยสิ่งนั้นจะมาถึงเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆองค์ที่เป็นฝ่ายพระด้วยเป็นฝ่ายครวดัดให้มีความสามัคคีกันไว้เออถึงอย่างไงยังไ ง, ง, ไงก็ให้อยู่ในใจไว้ก่อนการเวลาเท่านั้นแหละจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าอะไรจะเป็นอะไรแต่ผมเองเนี่ ผมเชื่อในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรานี่ท่านหนักในหลักธรรมวินัยท่านพูดอะไรท่านต้องเน้นหนักเรื่องธรรมวินัยแต่ที่เข้าไปพบไปเจอครูบาอาจารย์ของเราเรื่องที่จะทําให้ศาสนาล่มจมที่เยียบย่าทําลายพระพุทธศาสนานั้นไม่มีเด็ดขาดมีแต่การเชิดชูบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ อันนี้คือชีวิตจิตใจของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราพรายนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านกับผมเองก็เป็นห่วงดูเหมือนกันนะถึงกับผมจะเป็นตัวเล็กเท่ามดก็ตามแต่ว่าจิตใจส่วนลึกนั้นเป็นห่วงว่าจะมีปัญหาหรือ ว, ว่าสิ่งที่พวกเราจะเข้าใจผิดอันนี้ก็ขอเตือน น, น, นานๆผมจะพูดทีหนึ่งอันนี้ถือว่าพวกเราคืออันหนึ่งอันเดียวกัน พูดแบบว่าพี่น้องอันเดียวกันตระกูลอันเดียวกันที่พูดนี้ทางนี้ทางนั้นไม่ใช่โฆษณาไม่ใช่ประชาสัมพันธ์แตบบ่จะบอกทําความเข้าใจในพี่น้องออขอให้หนักแน่นหนักแน่นในเรื่องที่จะเกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะอันนี้ก็คือแนวความคิดเห็นส่วนหนึ่งนานาจิตตังน า, นานาทัศนะ แต่ผมขอชี้ประเด็นว่าทําไมทําไมเกิดลักษณะอย่างนี้แต่กระผมว่าหลวงปูง่หลวงตาของเราอายุของท่านก็90กว่าปีแล้วท่านมุ่งหวังอะไรไม่มีเครื่องที่มุ่งหวังจะไปในอนาคตแต่มุ่งหวังมองลูกมองหลานท่านเองบอกว่าพระให้อยู่อย่างพระคราวัตให้อยู่อย่างครวัตยามาเก้าวกายกันให้พระมีศักดิ์ศรีอย่างพระ คราวาาก็ให้อยู่อย่างคราวา่อย่าไปข้ามกายกันอย่าไปแต่งตั้งกันเนียมันจะทำให้ภาพลบของพระพุทธศาสนาเสียอันนี้คือผมมองในแง่นี้ในเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นอันนี้ก็ขอเตือนเพียงเท่านี้ขอจบนะคือท่านลุงตายเองไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นมุ่งหวังว่าพระคือคือพระคราวาาก็คือคราวาอย่าก้าวกายกันถ้าว่าให้คราวาาก้าวกายนั้น พระทั้งหลายจะเป็นเบี้ยร่างของฆราวาสทั้งหมดอยากจะให้พระองค์ไหนเป็นยังไงก็เป็นได้ผลที่สุดพระเกิดความโลภในราบยศสารเสวนก็ไปจ้างฆรวาสเพื่อให้ตัวเองได้สูงขึ้นนี่แหละคอรับชั่นจะเกิดในพุทธศาสนาเพราะนั้นลุงตาคงจะมองเห็นจุดนี้กระมังนะอันนี้เพียงแต่เดานะท่านจึงได้ออกมาบอกว่าพวกเราพุทธศาสนาฝ่ายพระ อย่างที่พวกเราเห็นนี่แหละแต่บางคนก็อาจจะไม่สบายใจแต่ส่วนผมเองผมก็ได้คิดเหมือนกันว่างั้นเถอะอันนี้ก็คือพูดเตือนให้พวกเราทุกๆคนทั้งฝ่ายพระและฝ่ายฆราวาสได้รับรู้รับทราบเอาไว้ฟังเอาไว้ว่างั้นเถอะอันนี้มาพูดเรื่องการเป็นอยู่ของพวกเราในภาคปฏิบัติ ถ้าจะว่าไปแล้วคนเราเกิดมาไม่ถึงร้อยปีแต่เดี๋ยวนี้อายุของเราเท่าไหร่ที่เรานั่งอยู่ทุกคนเราก็รู้รู้วัยชีวิตของเราเนี่มาถึงครึ่งทางค่อนทางคือว่าร้อยปีอ่อร้อยปีเป็นหลักแหละกขว่าร้อปีนเปนี่เพราะว่าสูงสุดลววะว่างั้นเถอะแต่พวกเราเท่าไหร่แต่สําหรับหลวงพ่ออินห้าสิ้าปีนี้แล้วนะปีหน้าเนี่ยเกษียณแล้วค่อนแล้วว่างั้นเะ เออแต่ว่าเขาว่าค้อนกนคำนก็คือค้อนร้อยทนเองนะแต่ว่าที่จริงแล้วอาจจะพุ่งนี้มือลืนนี้อาจจะลงไปเดียวนี้อาจจะตายก็ได้อันนี้คือชีวิตของพวกเราเหมือนน้ําค้างใบบัวหรือเมล็ดงาอยู่บนปลายเหล็กแหลมไม่รู้จะตกหล่นเมื่ อ, อไรหร่ชีวิตของเราเพราะฉะนั้นทานเราคิดให้ดีๆแล้วโลกวัตฏฏสงสารอันนี้ไม่รู้เราจะไป กระตือรือล้อนเลยออกไปมุ่งหวังความสุขจากที่ไหนจนลืมเนื้อลืมตัวนั้นผมว่าก็คงจะไม่ถูกเหมือนกันนั่นแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ของเราเมื่อเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจอยู่ในกรอบของหลักธรรมวินยัยอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ที่พวกเรารักเคารพที่ท่านสั่งสอนเอาไว้อยู่ในเทปที่ท่านสอนเอาไว้มีมาก ผมเอามาฟังฟังดูแล้วล้วนแล้วจะมีสาระมีประโยชน์ในพระธรรมเทศนาขององค์หลวงปู่เทศินมกเปียงของเราในแต่ก่อนผมก็อ่านผมก็ฟังอยู่ฟังไกลๆแต่พอฟังเข้าไปอู้สาระประโยชน์ที่ท่านฝากเอาไว้เนี่ยไม่น้อยเลยมีคุณค่ามหาศาลที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ฝากไว้กับลูกกับหลานก็ผมเองยังจําไม่ลืม เมื่อท่านไปอยู่ที่วัดถ้ำขามท่านอยู่ที่หินมักเปี้ยงท่านไม่มีเสียงหมดเสียงในช่วงนั้นน่ะตอนนี้พอท่านไปจำพรรษาที่ถ้ำขามพวกเราก็ไปกราบพระวะท่านหลายคนหลายวัดว่างั้นเถอะพอไปถึงท่านโอ้ดีละพระลูกผ้าหลานมาญาติโยมมาเรามีเสียงขึ้นมาบ้างหลวงปู่มีเสียงขึ้นมาบ้างแล้วเดี๋ยวหลวงปู่จะพูดอะไรให้ฟังเทศอะไรให้ฟังอีก เพต่อไปมันคงจะไม่มีเสียงอีกกระมังนี่เท่าไงกนทําไมมีเสียงมาเอา้าตั้งใจฟังนะแต่ท่านพูดในวันนั้นเนี่ยพูดด้วยความตั้งใจอยากจะสอนพวกพระรูปพระหลานว่า ง, งั้นเถิดท่านกำเน้นหนักเรื่องสมาธิท่านบอกว่าพวกท่านทั้งหลายบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วถ้าหากว่ายังทําจิตให้เป็นหนึ่งยังไม่ได้อันนั้นแปลว่ายังไม่รู้รสของพระธรรม ยังไม่ซึ้งในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุธทธเจ้าถ้าจะเปรียบเทียบก็บเหมือนกับพระพุทธศาสนาเหมือนกับต้นมะม่วงท่านว่านะถ้าว่าเราเพียงแต่มารักษาศีลมาปฏิบัติเหมือนกับเราเข้าไปอยู่ในโครนต้นมะม่วงเพียงแต่ว่าได้บังแดดบังฝนร่มเย็นเป็นถุกในระดับหนึ่งแต่ถ้าหาว่าพวกเราได้ริมรดของมะม่วงมะม่วงสุกท่านว่านะ ผลของมะม่วงสุกด้วยเราจะได้ทั้งรสด้วยได้ทั้งความร่มเย็นด้วยจากต้นมะม่วงนั้นอันนี้ก็เหมือนกันเพราะพุทธศาสนาคือเหมือนกับต้นมะม่วงต้นหนึ่งเราเข้ามาพึ่งพาอาศัยด้วยการรักษาศีลด้วยภาวนาจิตใจของเราก็ได้รับความสงบร่มเย็นในระดับหนึ่งขอตัดความวุ่นวายออกจากโลกภายนอกแต่ว่า ถ้าหากว่าเรายังทําจิตให้สงบเป็นหนึ่งยังไม่ได้อันนั้นแปลว่ายังไม่รู้รสของพระธรรมรสของพระธรรมที่แท้จริงวันนั้นขอให้พารุปลานตั้งใจภาวนานะถ้าภาวนาแล้วจิตใจสงบเป็นหนึ่งเป็นอัปปนาสมาธิจิตใจเป็นอั น, น, น, นใดสติเป็นอันนั้นจิตเป็นใดเสติเป็นอันนั้นเมื่อนั้นแหละกายกับจิตเป็นคนละส่วนกันนั่นแหละได้ริมรสของพระธรรมอย่างแท้จริง ผมยังจําไม่ลืมในวันนั้นที่ท่านหลวงปู่ให้โอวัตมาพิจารณาดูแล้วจริงอย่างที่หลวงปู่พูดทกประกาศถ้าว่าพวกเราทําจิตให้สงบยังไม่ได้อยู่ตราบใดนะพวกเรายังไม่รู้พร่าทำคล้ายๆว่าเหมือนกับถ้าเป็นจอกแหนกใครเข้ามันลอยอยู่ในน้ํามันอย่างลากยังไม่ลึกว่า ง, งั้นถะแต่ถ้าหากว่าเราได้ปฏิบัติได้ภาวนาจิตเข้าสู่ความสงบ เป็นหนึ่งแล้วนะแปลว่ามันถอนยากเชื่อในพระพุทธเจ้าไม่ใช่เชื่อแบบตำรับตำราไม่ใช่เชื่อคิดเดาเฉยเชื่อในตัวเองว่าเออพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสมาธินี่เออมีความสุขจริงๆริงนัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีจริงจริ ง, รงอันนี้ยอมรับด้วยตัวเองยอมรับด้วยใจว่า ง, งั้นเถะเรื่องสมาธิเนี่ อันนี้นี่ที่หลวงปู่พูดที่เทศที่ท่ามขามนะ่ะหลวงปู่เทศใหญ่ของเรานี่ที่พูดไในท่าขามวันนั้นนะเป็นเวลาสิกว่าปีแล้วผมยังจําไม่ลืมเหมือนกันเลเออเอามาคิดเวลาไหนก็จริงเวลานั้นเหมือนกันเดี๋ยวตอนนี้หลวงตามหาบัวที่ท่านมาเมื่อไม่นานมานี้ท่านก็เข้ามาที่นี่ท่านมาเมตตาสอนพระเนรในวัดท่านก็มาพักนะี่ะท่านก็บอกว่าพระลูกหลานทั้งหลาย เรื่องภาวนาในสติเป็นสิ่งที่จำเป็นสําคัญมาในอันดับหนึ่งนะถ้าหากว่าสติไม่มีสมาธิมันก็จะไม่เกิดเราเคยประสบ ป, ประการกับเรามาแล้วแต่ก่อนเราภาวนาพุโทโธพุโทโธเราก็ไม่ได้คิดอะไรจิตใจก็สงบร่มเย็นจิตใจเย็นสบายมีความสุขเราก็คิดว่าเพียงพอพอต่อมาระดับหนึ่งเออเมื่อจะออกไปปฏิบัต ใ, ใจมันกลับเสื่อมถันว่างั้นนะพอภาวนาเข้าไปมันก็เสื่อมเสื่อมต่อหน้าเสื่อมต่อ ต, อตามันก้าวหน้าไปแล้วมันก็ถอยหล้างออกมาแล้วก็น่าก็้าวหน้าไปถอยล้า ง, งออกมาจนไม่มีอะไรในตัวของเรามัดในหัวใจกันทันใจมีแต่ความเาร้อนเอมันทํำยังไงเราก็ภาวนาอยู่คือตั้งสติเท่านั้นตั้งสติแต่มันก็เผลอไฟต่อหน้าต่อตาพอตั้งสติปับ๊บมันกล็ล้ม มันไปนอยู่ลักษณะนี้ท่านว่าเอเราขาดคําบริกรรมหรือเปล่าท่านว่านะเราขาดคําบริกรรมหรือเปล่าเราตั้งสติแต่มันล้มต่อหน้าต่อตาเอาตอนนี้ต่อไปเราจะบริกรรมด้วยบัดเนี่เออก็เลยตั้งความจริงใจขึ้นมาก็ บ, บริกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถเวลานั่งนะเวลาเดินก็ขาขวาพุทธขาซ้ายโถเวลาปัดกวาดก็ เบียงท้ายพุทเบียงกับคืนโทพุทโทเดินบินทบาทกับพุโทโธไม่ได้สนใจอะไรกับใครเลยเออเพราะว่าตั้งสัตว์ว่าจะต้องให้สติอยู่กับตัวเองท่านมางั้นนะเวลาไปบินทบาทเวลามาฉันจังหารเนี่ยไม่รู้รสรสชาติของอาหารเลยเท่ า, าน้นคือบังคับอย่างเดียวถึงจะล้มขึ้นมาพอเพิ่ปั๊บก็บดึงพุทธโทเข้ามาอีกท่านว่าเป็นงานที่หนักมากที่เราทํางานมาที่ว่าหนักๆห น, นึ่ย งานที่สู้กับอารมณ์ภายในใจหนักกว่าหนักหน่วงกว่าออแต่ถึงยังไงที่คิดว่ามันมีหนทางทางเดียวต้องสู้สู้ทดลองดูมันเป็นยังไงเพราะมันไม่มีทางอื่นแล้วท่านว่างั้นสู้อยู่นี้ไปเวลาสามวันท่านว่านะพอสู้สามวันเออรู้สิกว่าสติของเราแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆสืบเนื่องขึ้นเรื่อยต่อเนื่องขึ้นเรื่อยเช่นนี้พอจิตเผลอปั๊ บ, บก็รู้ปั๊บ ที้สติทันจิตทีนี้มันอยู่เลย่านนพอจิตใจสงบเออจิตใจไม่หิวหวยจิตใจอยู่คงที่จนเชื่อมั่นแล้วบาทนี้เออหนทางที่เราจะทําจิตให้เป็นหนึ่งเนี่ยคือเอาสติบริกรรมกับพุทธโธไม่ให้มันเคลื่อนคลาดออกจากกันอันนี้แหละหนท า, างทํางานนะจากนั้นท่านก็ทําให้สม่ําเสมอเด่นเอาไม่เสื่อมบาทนี่ทำงานนะพอจากนั้นมาก็ นั่งภาวนาอธิษฐานจิตนั่งภาวนาตลอดทั้งคืนพอนั่งทั้งคืนได้เออได้ใช่ไหพอมาสองสามวันนั่งอีกทั้งคืนอีกพอนั่งต่อมาอีกสามสี่คืนนั่งอีกทเออในพรรษานั้นนั่งภาวนาติดต่อตลอดคืนตลอดคืนหลายครั้งถ่านว่านนะเออคนที่จิตไม่อยู่กับตัวแลวจะนั่งทั้งคื น, นมันยากนะต้องจิตสงบต้องจิตไม่หิวโหวยกับอารมณ์จิต สงบนั่นแหละจึงจะนั่งสมาธิตลอดทั้งคืนได้ใช่ไหมอันนี้แหละพอจิตสงบเป็นหนึ่งแล้วก็เข้าไปกราบหลวงปู่มัน่นท่านพูดเลี้ยงตามลําดับให้ฟังนะแม่อบอกว่าพ่อแม่คุจารับผมภาวนาจิตสงบได้แน่นหนามั่นคงมากแล้วกับผมบัดนี้หลวงปู่มั่นท่านก็เลยแนะนาําว่าเออเมื่อจิตสงบแล้วก็ให้พิจารณาทางด้านปัญญานะาให้ออกทางด้านปัญญาออกปัญญาก็คือพิจารณาร่างกาย เกษาโลมาหนาขาทันตาตะโจนหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดสรุปแล้วก็คือแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายให้เป็นส่วนๆเกษาส่วนหนึ่งเอาไว้กองไว้ส่วนหนึ่งโลมาขนเอาไว้ส่วนหนึ่งหน้าขาเล็บถอดไว้ส่วนหนึ่งทันตาฟันถอดไว้ส่วนหนึ่งตะโจหนังถลกไว้กองหนึ่งมังสังเนื้อเอาไว้กองหนึ่งเอ็นเอาไว้กองหนึ่งกระดูก เอาไว้กองหนึ่งตับเอาไว้กองหนึ่งหัวใจเอาไว้กองหนึ่งปอดเอาไว้กองหนึ่งลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กอุจจาระปัสสาวะเอาไว้คนละกองละก่องจะได้พิจนารณาดูสิอันนี้เป็นร่างกายของเราใช่ไหมถ้าเราถอดออกมาแล้วจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถามใจตัวเองถามผู้รู้นะ่ะที่ตัวนึกคิดนะ่ะถามก่อนอันนี้ถ้าว่าถอดออกมาแล้วจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ไม่เป็นได้อย่างไงเพราะร่างกายมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ่ะ และพอพี่นาเห็นแล้วนี่แหละร่างกายของคนเราเนี่ยน่ารักไขร่ชอบใจหมน่าลุ่มหลงมัวเมาไหมถ้ามันเป็นลักษณะนี้ร่างกายนี้เป็นของมั่นคงกิรังถ้าวรไหม เ, เป็นนิจจังไหมมันจะถามดูถามดูเออมันก็จะต้องให้ตอบตรงกันข้ามทั้งหมดร่างกายไม่มั่นคงไม่ถาวร่างกายนี่เป็นอสุภะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราเพยายามฝึก พิจารณาทบกทวนอยู่เสมอเรื่องพิจารณาอันนี้ท่านว่าเมื่อพิจารณาร่างกายของท่านทีแรกมันไม่ยอมออกทำงานนะพอภาวนาไปกำหนดออกไปมันไม่ยอมออกเพราะมันเหนื่อยการพิจารณาเนะมันเหนื่อยใช้ความคิดมันสู้เข้าสู่ความสงบไปเละพอภาวนากำหนดพบมันจริงตั๊บขาบามันนิ่ง อ, อยู่กับสมาธิเลยสบายมันไม่อยากจะออกทางาน เออท่านก็เลยบอกไปกาบอีกว่าข้ออกาดพ่อแม่ผู้จาร์มันไม่ยอมออกมันอยากจะเข้าสู่ความสงบอยู่อย่างนั้นหลวงปู่มันกระนาบเลยท่านว่านะสมาธิเหมือนกับเนื้อติดฟันท่านเองเออมันไม่ใช่ความตกที่แท้จริงอะไรทำไมจะไปติดอยู่เพียงสมาธิเพียงแค่นั้นต้องพิจารณาซ์มันจึงจะตกหลวงปู่มันกรหนาบพ่อกนาดท่นี้กัเออก็เลยออกพิจารณาบังคับให้ออกก้อนั้นนะท่านว่านะ พอบังคับหลายครั้งต่อหลายหนทอนี้พอพิจารณาออกโอ้เห็นผลบาล้างเลยเออมันสมาธิมนะันไปนอนอยู่เฉยเฉยเหมือนกับเราไปนอนอยู่ในห้องอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้ทําการทํางานผลงานก็ไม่มีทอนีออ้การเงินการทองการผลงานที่เราจะได้รับไม่มีเพราะเราไปนอนอยู่เฉยเฉยโอ้เสียเวลาจริงๆเองในขณะที่นอนอย่างนั้นตอนนี้ก็มาพิจารณาพิจารณาก็ออกเลยทอนี้ออกเตลดิดเปิดเปิเปงจนนอนไม่หลับทั้งวันนะ อย่างไรก็พิจารณาอยู่ยงั่นก็จะเอาจะเอานีาา่พิจารณาตัวนั้นขึ้นมาเห็นตัวนั้นพิจารณาร่างกายสังขารจะพิจารณาอยู่พอในที่สุดมันก็เหนื่อยทีนี้จะเข้าสมาธิก็เ ข, เข้าไม่ได้มันเหนื่อยจะได้เข้าไปกาเปลี่ยนหลวงปู่อีกบ่ขอกาศพระแม่คุปจานทร์พระแม่ครูจานทร์ให้พิจารณาเนี่ยมันออกอะไรกับผม เ, เนี่ยออกจนนอนไม่หลับเพราะงั้นมันออกทั้งวันทั้งคืนเลย หลวงปู่มั่นท่านก็บอกว่านานแล้วมันบ้าสังขารมันหลงสังขารทำไมสังขารคือความปรุงแต่งเน๊เนี่คือความคิดความปรุงเน๊ะเพราะว่ามันบ้าสังขารมันหลงสังขารทำไมสังขารคือความคิดความปรุงออกเตลิดเปิดเปิงเอี่สังขารเป็นสมุทัยสังขารเป็นมรคนี้คล้ายๆว่ามันคิดออกเตลิดเปิดเปิงมันถึงจะเป็นมร์แต่มันกลายเป็นสมุทัยไปเพราะงั้นเนี่มันเป็นเหตุให้ทุกเกิดขึ้นมาอีกเพราอในสุดท่านก็เลย ให้บังคับให้ดวงตาเนี่ยเข้าสู่ความสงบอีกบางเงนแต่นี่ดวงตากับบอกว่าต้องเข้าสู่ความสงบให้ได้นะกําหนดให้ภาวนาให้หากรมาฐานที่มันสงบให้ได้โผลในสุตดวงตาก็ทําความสงบใจอีกกับกำมาฐานที่ว่ากำหนดพุทโธได้แหละเป็นหลักอีกจิตใจก็เข้าสู่ความสงบได้ เ, เมื่อจิตใจได้พักผ่อนท่นี่ก็นํามาพิจารณา เมื่อพิจารณาเหนื่อยกลับไปพักผ่อนเมื่อพักผ่อนได้กำลังมาพิจารณานี่ละ ว, วิธีการปฏิบัติทางานนะคนเรานี่จะทำงานทั้งวันที่ไม่ได้กินข้าวไม่ได้พักผ่อนเป็นไปไม่ได้คนแต่จะนอนอยู่อย่างเดียวมีแต่พักผ่อนมีแต่นอนหลับโดยที่ไม่ไปทำงานมันจะมีผลงานจะเห็นผลงานได้อย่างไรเพราะนั้นสมาธิกับปัญญามันเดินไปคู่กัน เวลาพิจารณาก็ให้พิจารณาเมื่อพิจารณาแล้วให้กลับมาหาสมาธิเมื่อพักผ่อนในสมาธิเป็นที่พอใจแล้วก็พิจารณาแต่บางครั้งเมื่อเราเข้านั่งภาวนาจิตใจมันไม่สงบจิตใจมันคิดมันชอบคิดเราก็ให้คิดเลยให้คิดพิจารณาในร่างกายเลยพิจารณาผมขนเล็บฟันนังเนื้อเองกะระดูกในร่างกายน่พิจารณาไ่กะระดูกตั้งแต่กระโหลกศีรษะเน่กระโหลกศีรษะลักษณะมันเป็นยังไง มีรูปตามีขากรรไกรมีฟันมีคอมีกระดูกคอมีกระดูกแขนกระดูกแข่งกระดูกขากระดูกชี้โครงกระดูกสันหลังไล่ลงไปจนถึงกระดูกฝ่าเท้ากระดูกนิ้วเท้าย้อนไปย้อนมาไม่ใช่ครั้งเดียวนะย้อนไปย้อนมาหลายหลายครั้งพิจารณาร่างกายเรามีความชัดเกณฑ์ในกระดูกท่อนไหนในร่างกายกระดูกชีโครงหรือกระดูกสันหลังหรือกระดูกแขนกระดูกขา กระดูกอะไรที่ชัดเจนในความรู้สึกหือกระโหลกศีรษะเราเอาจิจับอยู่ตรงนั้นไม่ให้อยับขยื่นไปที่อื่นให้เห็นจุดๆนั้นจะว่าเพ่งก็ใช่จะว่ากําหนดรู้อยู่อย่างนั้นก็ใช่นี่แหละจิตจะเข้าสู่ความสงบได้อันนี้แหละปัญญาอบรมสมาธิในแนวแถวที่องค์หลวงตาเคยอธิบายอันนี้ก็ในพวกเราทุกท่านที่เป็นพระนี่แหละเรื่องวิธีการปฏิบัต เรื่องจติตตภาวนาเบื้องต้นที่จะทำจิตให้สงบนั่นก็คือบริกรรมพุทโธเป็นหลักอันนี้คือสายหลวงปู่มั่นของพวกเรานะสำหรับพี่น้องประชาชน ญ, ญาติโยมก็เช่นเดียวกันนั่นแหละท่านอยู่ว่างๆอยู่ในบ้านก่อนหลับก่อนนอนกับวไหว้พระเสียก่อนพอรหว้พระเสร็จแล้วเราก็หาจังหวะหาเวลาให้มันสงบจุด ฟังเพลงฟังลัมวิทยุโทรทัศน์จัก่อนจากนั้นก่อนก็นั่งภาวนาห้านาที10นาที20่สิบนาทีต่อวันหรือกว่าจวนสวามากับลุกมานั่งภาวนาพุทโธพุทโธเออนี่แหละเป็นหน้าที่ของพวกเราทางวอกิตใจของเรามีหลักยึดตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์สั่งสอนแล้วใจของเราจะร่มเย็นเป็นจุกเด้ใจของเราจะไม่ว้าเหวไม่อ้างว้างไม่เงียบเหงา เมื่อเท่าแก่ชรามาแล้วนะทางวากิตใจของเราไม่มีหลักเมื่อเท่าแก่ชรามาแล้วห่วงลูกห่วงหลานเนะี่ยห่วงทรัพย์สมบัติห่วงไปหมดตามไม่จริงไม่น่าจะห่วงอไม่น่าจะห่วงในสิ่งเหล่านั้นให้ห่วงตัวเองนะั่นนหะดีที่สุดว่างั้นเถอะห่วงศีลห่วงธรรมให้มีศีลมีธรรมคือให้ส ะ, สะแสวงหาหนทางของตนเองเ อ, อย่างอื่นเราก็หาให้ลูกให้หลานให้ตั้งหลักตั้งฐานมาพอแรงแล้วแต่บัดนี้ หนทางของเรายังไม่รู้ไปข้างหน้าจะนานสักเท่าไหร่เพราะนั้นพวกเราควรจะเสาะแสวงหาหนทางของพวกเราคือทานศีลภาวนานี่แหละทานศีลภาวนาเนี่ ย, ยถ้าจะว่าไปแล้วมันเป็นสามขาอย่างเลยสามขาไม่แห่ล้มเหมือนกันทานทานะคือการให้พวกเราตื่นนอนในพะบินาบาทหน้าบ้านเราก็ใส่บาตรอันนี้คือทาน พ่อแม่ของเรายังมีชีวิตอยู่เราก็เอาข้าวเอาน้ําไปให้พ่อแม่เรากินเอออันนี้ก็คือบูชาพระคุณก็เป็นบุญกุศลสําหรับพวกเราอันนี้คือว่าทานะคือการให้จากนั่นก็ให้เสียสละต่อชุมชนสังคมที่เกิดประโยชน์เอออันนี้ก็คือทานะคือการเสียสละคนที่มีจิตใจเสียสละจิตใจกว้างขวางนะไปอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข ถ้าหาว่าออกจากชาตินี้ไปแล้วก็นะเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็จะเป็นผู้ไม่อดไม่อยากอันนี้สงทานเกื้อกูลหนุนส่งให้พวกเราไปเกิดอยู่ในภพภูมิใดในสถานที่แห่งใดทําอะไรขึ้นมากับพออยู่พอกินพอใช้พอสอยไม่อัตคัดไม่ตกทุกข์ใดยากเพราะอันนี้สงทานค้าจุนนะอันนี้สงศีนทําให้ชีวิตของเราร่มเย็ยนเป็นสุข ชีวิตของเรายืดยาวชีวิตของเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีทรัพสมบัติก็ไม่มีใครมาเบียดบังมาลักมาขโมยมีสามีพัญญากว่าว่าง่ายซ้อนง่ายสีนข้อที่สาข้อที่สีไม่มีใครโกรหกมาหลอกลวงเราได้เพราะเราไม่เคยทำให้แกเขาข้อที่ห้าเรารักษาสินดีสติของเราก็สมบูรณ์การท่องการจำการคิดการอ่านได้ดีทั้งนั้นเพราะอา น, นิสงส์ศินของเราดี แต่ถ้าเราหนักไปทางสุราดื่มสุราแล้วเกิดมาพบนาชาตินาจะเป็นคนปั๊มปั๊มเปื่อๆเลยปัญญาอ่อนอันนี้คือเกิดมาพบนาชาตินาทวาเราเป็นผู้มีทานอันนี้สงทานเกื้อกอุนนุนแล้วมีแต่ความไม่ทกขยากลําบากในทรัพย์สมบัติการเป็นอยู่อันนี้สงศีนการเป็นอยู่ของเราก็ร่มรื่นราบรื่นเรียบร้อยอันนี้สงภาวนาจิตใจของเราสงบเยือกเย็น ไปอยู่ในสถานที่ใดไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายสติปัญญาก็เสียบแปมสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ในที่ทุกสถานพมังนงั้นถเถอะไอ้อเนสงในทานในศีลภาวนาทั้งสมนี่ยขอให้พวกเราทุกๆท่านนะญาติโยมทุกๆท่านไนะอ้ทั้งอกตั้งใจทังทานทังศีลภาวนาเนะี่ยเป็นหน้าที่ของพวกเราแต่ส่วนพระก็คือศีลท่านเน้นหนักเรื่องศีลเลยนะ ศีลสมาธิปัญญาเน้นหนักเรื่องศีลศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ศีลสองิบเจ็ดข้อสมาธิทำกิตให้มั่นคงปัญญาเดินปัญญาอย่างที่ว่านีนะเา่เดินวิปัสสนาพิจารณาร่างกายสังขารให้เกิดความเบื่อหน่าย เ, าเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัตะสงสารนี้อีกอมันเบื่อหน่ายแล้วจะมาเกิดทําไมใช่ไหมมันเห็นทุกข ทุกอย่างแล้วอย่างที่หลวงปู่ล่าท่านพูดน่นนะแต่ถ้าว่าพวกเราเห็นโลกกันนี้น่ยยังมีความสุขอยู่มุมใดมุมหนึ่งเหลี่ยมใดเหลี่ยมหนึ่ง เ, เรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่าเม็ดงาขาลิ้นเขาบอกเม็ดงาก็ยังเล็กใช่ไหมขาลิ้นอีกว่างั้นตัวลิ้ น, นตัวเล็กยังขามาันอีกว่างั้นเท่าเม็ดงาขาลิ้นยังหวังว่ามีความสุขในโลกได้อยู่ยังไปนิพพานไม่ได้หลวงปู่ล่าว่างั้นนะ แน่พวะนั้นส่วนลึกของธรรมะของผู้หลิจจารและปฏิเสธทั้งหมดมันจะเป็นสุกได้ยังไงสัพเพสั่งคาราอนิจจาสัพเพสั่งคาราทุกขาสัพเพสั่งคาราอนิจตาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนของเราปฏิเสธทั้งหมดนะนะจากนั้นก็นเกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจก็หลุดพ้นจากอาสวัคิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่แหละ เป็นสักขีพยานเห็นไหมครูบาอาจารย์ของพวกเราอธิธาต์ของท่านเน่ยเป็นเม็ดกรมเกือบทุกองนี่คือท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสักขีพยานส่วนด้านจิตใจนะั้นพวกเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ว่าท่านสําเร็จมักผลนิพพานอย่างไรแต่อธิธาต์ขององค์ท่านโดยมากจะเป็นพระทาตให้พวกเราได้กราบได้ไหว้เป็นที่ประทับใจหรือว่าเป็นที่เชิดชูบูชา เป็นที่ยกย่องสรรเสริญแก่บรรดาผู้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในพุทธศาสนาของพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราในหน้าภาคภูมิใจนะได้มาเกิดได้มาพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มันไม่เสียชาติเกิดเื่อ ง, งั้นถอะเพราะนั้นพวกเราให้ตั้งอกตั้งใจนะให้ต้องตกตั้งใจภาวนามรรคผลที่ผ่านมีจริงตายแล้วเกิดแน่นอนตายแล้วไม่สูญเมื่อกันอะอย่างที่หลวงปูเ่เทษฎนพูดนะ เวลาภาวนาแล้วทำจิตให้เป็นหนึ่งแยกจิตออกจากกายแยกกายออกจากจิตกายกับจิตเป็นคนละส่วนกันเมื่อจิตสงบแล้วเป็นหนึ่งแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายนี่แตกตายแน่นอนแต่ส่วนจิตนั้นไม่แตกไม่สลายพร้อมที่จะไปถือปฏิสนธิในภพภูมิอื่นๆอีกได้แต่ถ้าหากว่าเรายังมีเชื้ออยู่ใจดงนั้นยังมีเชื้ออยู่เชื้อคืออะไรคือราคะโทสะโมหะคือกิเลสนั่นเอง ถ้าจิตใจยังมีเชื้ออยู่ต้องเกิดอีกแน่นอนไม่สูงเมื่องั้นแตะและ้วกรรมชั่วกรรมดีที่พวกเราทำไว้จะสนองใจดวงนั้นให้ไปตกทุกข์ใดายากไปในภพภูมิต่างๆถ้าเราทำกรรมดีบุญกุศลเกอนกุล น, น, น, นุนไปสู่ภพที่สูงเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไปสู่สวรรค์ส้นพรมแต่ถา้าเราทากรรมชั่วทากรรมไม่ดีเอาไว้กรรมชั่วเนี่ยจะผลักดัน เหมือนกับลูกดินประสิวปืนนั่นน่ะดันลูกกระสุนออกไปน่ะลงต่ําไปเรื่อยๆงั้นเด่ะไปเกิดเป็นสัตว์ติฏฐิชันเกิดเป็นเปรตเปตตกนรกหมกไหมเพราอนั้นสรุปแล้วก็คือตายแล้วไม่สูงตายแล้วเกิดอีกแน่นอนสิ่งที่ไปเกิดนั่นคืออะไรคือใจคือวิญญาณของพวกเราเนี่แหละแต่วันนี้ก็ว่าจะพูดนิดหน่อยนะแต่ก็ได้พูดเสียยืดยาวขอจบการพูดเพียงเท่านี้